พระอาจารย์วัฒนชัยแสดงธรรมขอให้หม่ครับข อ, อนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยขอการเพื่อนสา น, นมิตรทุกท่านจเจริญธรรมม่ชีและญาติธรรมทุกท่า น, น ก, ก็นั่งสบายๆเนอะรู้สึกตัวสบายๆ เมื่อกี้เราก็ได้สวดธรรมจักกัปปนาสูต ร, รนะซึ่งเป็นพระสูต ร, รที่สำคัญที่สุดในบุตรศาสนาเนาะเพราะว่าเป็นปทมนตเทศนาที่หลังจากพระองค์ได้ส่งตัดสรูรแล้วก็ได้ส่งสแสดงธรรมจักนี้นะซึ่งหัวใจของพระสูต ร, รนี้ก็คืออริสัตต์สี่ก็คือให้เราเห็นความทุกข์ให้เห็นสาเหตุการเกิดทุกข์คือสมุทยัย ให้เข้าถึงความดับทุกข์คือนิโรธแล้วก็ให้รู้หนทางการปฏิเพื่อถึงความดับทุกข์นั้นนะก็คือมักมีองแปลกอัเดี น, อน้อท้าสรุปก็คือให้รู้จักทุกข์แล้วก็ให้ปฏิเพื่อการพ้นทุกข์นั้นเนาะซึ่งหลังจากที่ทรงแสดงธรรมจักรจบแล้วพระโกนแห่งยาก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา ดังนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาดบรรลุเป็นพระโสดาบันจากการเห็นสภาวะที่มันเกิดระดับของสภาวธรรมทั้งปวงต่างๆเหล่านั้นและหลังนั้นพระปัญจวคียีที่เหลืออีกสี่ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันตามลำดับแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อมาอีกไม่นานพระเจ้าได้ทรงแสดงพระสูตรที่สองซึ่งถือว่าเป็น พระสูตรที่สําคัญเป็นอันดับสองของทั้งหมดก็คืออนตัตตลัคนาสูตรเนาะมันมีเนื้อความย่อๆดังนี้ว่ า, าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายและใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่า เป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปไปธรรมดาควรเลยจะตามคิดว่าของเราสิ่งนี้เป็นเราสินนี้เป็นของของเราสิ่งนี้เป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นพระเจ้าข้าแล้วทรงอยกแยะว่ารูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน้นตาอย่างไร หลังจากแสดงจบแล้วภิกษุปัญญวิคีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนาะอันนี้ก็มีความสำคัญเนาะที่ว่ากลับมาเห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองเมื่อใดที่ผู้ใดกลับมาเห็นพระไตรลักษณ์ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นรักตาบังคับเป็นช้าไม่ได้จิตก็จะเกิดการปล่อยวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนเมื่อไม่ยึดมั่นถึงมั่นในความเป็นตัวตนแล้วก็จะหลุดพ้น เพราะว่าความยึดมั่นต่างๆก็จบลงนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความทุกขนะ์เป็นอุปทานเราก็เป็นภพเป็นชาติตีกต่อไปนะอันนี้จึงว่ามันก็เข้าสู่พระไตรลักษณนะ์เห็นสภาวะตามความเป็นจริงที่เรียกว่าเป็นไตรธรรมนะคร น, นี้อันนี้ก็ เป็นหลักการสําคัญนะการนี้ถ้าเราจะเข้าถึงตรงนี้มั น, มนก็ยากใช่ไหมเพราว่าเราก็ไม่มีปัญญาแบบปัญญคุคีที่ฟังพระไตรลักษณ์อันนี้จังทุกนักตาแล้วเราจะเกิดปัญญาถึงระดับนั้นเนาะต่อมาพระเจ้าก็ได้ทรงเผยแผ่ธรรมไปเรื่อยๆนะจนมาถึงนิคมของหมู่ชนชาวกุลุซื่อชื่อก ร, รมมาสะธรรมะก็ได้แสดงธรรมให้กับหมู่ชนชาวกุลุแสดงให้ฟังธรรมซึ่งถือว่าเป็นหลัก อย่างหนึ่งในการเข้าสู่การบัตธรรมเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ต่างๆเรานั่นได้เรียกว่าเป็นสติปัฏฐานสนะี่เนาะที่เราได้สวดไปแล้วอันมีหัวใจหลักในการให้ใหกมารู้กายเวทนาจิตธรรมนะก็คือให้ตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมนะถ้าไม่ชื่อแต่ก็คือกา ย, ยานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้นนะก็คือกาย อนุปัสตนาคือการตามรู้นะอนุคือการตามตามตามนะปัตนาการรู้นะก็คือการตามรู้กายตามรู้ใจนั่นเองเนาะครั้นี้เราก็ประการแรกเราก็มาฝึกในการที่เราจะตามรู้กายก่อนเนาะตามรู้กายก็มีอีบทีสีคือบทใหญ่นั่นเองพระเจ้าได้ทรงบอกว่าเดินให้รู้เดิน ยืนให้รู้ยืนนั่งรู้นั่งนอนใหรู้นอนแล้วก็คือกลับมารู้ในขณะนี้นั่นเองว่าเรากำลังทําอะไรอยู่เนาะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเราทำอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรากลับมารู้ไม่ว่าขณะนี้เรากำลังทําอะไรอยู่เนาะยกตัวอย่างเช่นเราเดินนะเราเดินไปทํางาน เราก็เป็นการเดินตามอัตโนมัติหรือความเคยชินเพราะเราไม่ต้องกลับมารู้อะไรทั้งสิ้นเลยมันก็เดินเป็นอยู่แล้วใช่ไหมในนาเดียวกันก็เดินไปก็คิดไปะจะไปทำงานทันไหมรถจะติดไหมเย็นนี้ไปกินอะไรดีพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนเมื่อกี้ปิดไฟหรือยังมันก็น ก, นก็เป็นอย่า ง, างนี้นะก็คือเราก็คิดไปในเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้าง แต่ก็ไม่ได้เคยกลับมารู้เลยขณะนี้เราลังทําอะไรอยู่เนาะกำลังเดินนี่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะก็คือเราไม่ได้กลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่เนพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้กลับมารู้ขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่เนาะไม่ต้องไปคิดอดีตไม่ต้องไปคิดอนาคตแต่ให้กลับมารู้กับไปอยู่บัดนั่นเองนะแล้วก็ชีวิตประจําวันเราก็ไม่ใช่ว่ายืนเดินนั่งรออย่างเดียวใช่ไหมเราก็ทําอย่างนู้นอย่างนี้ พระนักบเจ้าก็เลยให้กลับมารู้ในอิพนย่อยต่างๆเรียกว่าเป็นสามัญญยาแบบพระก็ได้แก่เหลวซ้ายลายขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีวรสังคาติดื่มริมกินเคี้ยวอุจลาปัสวะต่างๆเหล่านี้ก็ให้กลับมามีความรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่เนาะ อันนี้ก็เป็นอิบทนย่อยต่างๆนะที่เราอยู่ในจิตใจเยาวันั่นเองไม่ว่าจะทำอะไรเนาะตอนเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำต่างๆก็รู้สึกตัวนะพับผ้าหม่มมาลุกผมนะสเสื้อผ้าต่างๆเนาะไปทำงานนะหรือว่าไม่แต่นะอุจจลปัสสวะท่านก็ให้กลับมารู้สึกตัวในตรงนั้นนะก็คือให้เรารู้ในจิตใจเาวนนั่นเอง นะเราสังเกตไหมว่าพระเจ้านี้ไม่ได้พูดเรื่องกายอะไรเลยนะพูดเรื่องกายของเรานี่แหละกลับมารู้ที่กายก่อนที่มาให้เรารู้ในกายเรานั่นแหละนะชีวิตประจำวันต่างๆนะคู่แขนเหยียดแขนนะอันนี้เราก็มาฝึกในการคู่แขนเหยียดแขนกันก็คือรู้กายก่อนใช่ไหมนะแล้วชิตประจำวันเรามันก็อยู่ในเรื่องของของกายท่าทางนั้ น, น, นใช่ไหมนะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําถูบ้านกวาดบ้าน ซักผ้าทําอาหารต่างๆนะรับประทานอาหารนะเดินไปทํางานนะหรือแม้แต่การนั่งการนอนมันก็เป็นเรื่องของกายนะก็กลับมาลูกายก่อนใช่ไหมกลับมารู้สึกที่กายว่ากําลังทําอะไรอยู่เนาะตรงนี้เป็นของง่ายๆเห็นไหมเมื่อเรารู้รู้เท็กที่กายแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาขณะนี้กำลังทําอะไรนะมันก็รู้ทันใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ว่าให้ใจเขานะเขามีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยใช่ไหม ใจเนี่ยมันมันไวัย่ไมันคิดนู่นคิดนี่พอเรานั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มันก็จะใจลอยนะคิดไป น, นูน่นคิดไป น, นี่นะแล้วก็รุงสร้างเป็นอารมณ์ต่างๆที่มันปรุงแต่งขึ้นมาจากความคิดต่างๆเหล่านั้นให้มีความยินดีบ้างยินร้ายบ้างมันก็นําความสุขความทุกข์มาให้เรานะอันนี้พวกนี้เรียกว่าเราหลงไปเป็นอารมณ์ที่ไปปรุงแต่งให้เกิดพบเกิดชาติเกิดประทานตามมามากมายเนาะพรุทธเจ้าก็ไม่ได้ ให้เราไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นเลยน ะ, ะสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าให้กลับมารู้มไหมว่าขณะนเราคิดไปใช่ไหมนั่นแหละเนาะคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะก็ต้องกลับมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะปัจจุบันนี่แหละเช่นเรานั่งเราต้องคิดไหมว่ากําลังนั่งใช่ไหมเราก็ไม่องคิดอะไรเลยก็มันรู้อยู่แล้วอ่ะมันกําลังนั่งมันนีม่มันคือความจริงเนาะหรือถ้าบางคนอาจจะยกมือสร้ยังไงหรือพลิกมือคว่ำพลิกเือมือหงายเราต้องคิดไหมว่ากําลัง กำลังยกมือกำลังพลิกมือมันก็ไม่ต้องคิดใช่ไหมเพราะนี่มันคือความจริงหรือการที่เราได้ยินเสียงพระกําลังพูดอยู่เราต้องคิดไหมขณะนี้กำลังได้ยินดินหนอมันมันไม่ต้องไปคิดนะเพราะนี่คือความจริงมันก็เป็นอาศัยความรู้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันธรรมมันจึงไม่ต้องอาศัยความคิดแต่ว่าเป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองนะเป็นความรู้หรือรู้สึกนั่แหละ ควรู้สึกเรากําลังนั่งเรากลาลังพลิกมื อ, อเรากําลังยกมือเรากำลังได้ยินมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองมันเป็นความรู้นะซึ่งตรงนี้มันมันจะไปะเป็นคู่ปรับกับความหลงใช่ไหมความหลงคืออะไรความหลงก็คือความหลงคิดไปแล้วหลงคิดไปไหนๆก็คิดเปในอดีตหรืออนาคตนั่นเองแล้วนะก็ความคิดก็มี2 อ, อย่างการตั้งใจคิดกับนะการเผลอคิดนะแต่เนี่ยพูดในเรื่องการเผลอคิดเนาะอะ่า เมื่อเมื่อวานนี้เราทานข้าวกับไรไมาเราต้องคิดไปแล้วใช่ไหมคิดไปแล้วเนี่ยมันต้องอาใส่ความคิดเข้ามาช่วยใช่ไะว่าเราคิดคิดเรื่องนู้เรื่องนี้นะทำอะไรผ่านมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วทำอะไรไปเที่ยวไหนสงกรานไปเที่ยวไหนเชียงใหม่ขนแก่นต่างๆก็ต้องไปคิดถึงใช่อาศัยความคิดไปดึงกลับมาใช่ไ ห, ไหพรุ่งนี้จะทำอะไรเดือนหน้าทำอะไรมันก็ต้องใส่ความคิดเนาะ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นความคิดนะทั้งตั้งใจคิดและไม่ตั้งใจคิดเนาะคราวนี้เราตั้งใจคิดก็ปล่อยไปอันนั้นเราไม่หลงนะแต่ถ้าเป็นความส่วนใจญ่มันก็คือการหลงคิดนั่นเองใช่ไหมเราก็ไม่รู้มันก็คิดไปหลงไปคิดไปหลงไปแล้วเราก็ยินดีไปเที่ยวเชียงใหม่มาเนาะโอ้ไปเล่นน้ําสนุกจังเลยนะคะกลับมารถมันติดขนาดหนักนะมันก็มีความทุกข์จากรถติดใช่ไหมนี่มันก็นําความสุขความทุกข์มาให้เราใช่ไหม เพว่าเราหลงไปแล้วใช่ไหมแต่เราทําไมไม่กลับมารู้ขณะนี้กําลังคิดอยู่ใช่ไหมคิดอยู่เรารู้ไหมใช่ไหมเออพราะเราเห็นเออกำลังคิดอยู่มันก็เลยดับไปมันก็หยุดไปก็คือกลับมารู้นั่นเองนะขณะนี้กําลังคิดนี่แหละคือปัจจุบันธรรมแต่เมื่อกี้มันหลงไปแล้วในอดีตในอนาคตนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้ให้เรารู้ไกลนะรู้กลับมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะกลับมารู้กําลังทำอะไรอยู่ปัจจุบันนี่แหละมันไม่ต้องใส่ความคิดแต่มันอใสยความรู้แต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามเราคิดนะ เราคิดเราก็รู้ว่าเรากําลังคิดเราดีใจเออไปเชียงใหม่ไปเล่นน้ําสนุกจังเลยมีความชอบใจมีความยินอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะมันเป็นความคิดแต่ถ้าเรากลับมารู้โอ้ขณะนี้กำลังดีใจนี่แหละตรงนี้นะมันได้เจริญส ต, ติแล้วนะรู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นในใจเราใช่ไหมโอ้แต่ขากลับนี่มันรถติดจังเลยรถติดมากนะ มาทั้งง่วงทั้งเหนื่อยแล้วยังรถติดอีกนะมันมีความทุกข์ไม่ชอบใจตรงนี้เราห้ามเขาไม่ได้นะแต่รู้ไหมขณะนี้กำลังไม่ชอบใจขณะนี้กําลังไม่พอใจรู้ไหมการรู้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว <c oughs> กลับมารู้ว่าขณะนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นในใจเราใช่ไหมเพราะนั้นอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นมาในกายเราเราก็รู้ไปเป็นปัจจุบันธรรม <c oughs> ขณะนี้กําลังนั่งรู้เป็นปัจจุบันขณะการ ย, ยกมือรู้เป็นปัจจุบัน แต่ขณะนี้เราเราชอบใจเราก็ตามรู้ไปโอ้ขณะนี้เราชอบใจขึ้นมาแล้วนะนี่แหละมันก็เป็นสติปัญสีขณะนี้เราไม่ชอบใจไม่พอใจก็ตามรู้ไปขณะนี้กำลังไม่ชอบใจแล้วนะนี่ก็เป็นสติปันสีเอากลับมารู้ใจนั่นเองแล้วเนี่ยเพราะฉนั้นการปฏิธรรมมันก็ไม่ยากนะเราก็รู้กายรู้ใจเป็นปัญญธรรมนั่นแหละไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปลวดดีดรู้อนาคต คนเรานะถ้าไม่พูดตรงนี้นะมันเกอร์เซนต์มันจะรู้ในอดีตรู้ในอนาคตเพราะมันไปคิดเอาใช่ไหมมันไม่เคยกลับมาอยู่ปัจจุบันเลยแม้แต่นิดเดียวยกตัวอย่างเราเดินนะตลอดชีวิตเราไม่เคยกลับมารู้เลยว่าเราเดินนี่แหละมันไม่ได้กลับมาอยู่ในปัจจุบันเลยใช่ไหมขัน้นการอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือกลับมารู้ตรงนี้ให้ได้กําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมเมื่อเรารู้กายบ่อยๆน ะ, ะรู้กายจนเขาเกิดทักษะขึ้นมาเขาเรียกว่า เป็นหลงเป็นรู้นะการเป็นหลงเป็นรู้ก็คื อ, อการที่เราใจเนี่ยไปรับรู้สภาวะแห่งการเคลื่อนไหวนะถ้าเรานั่งนิ่งๆ น, นะมันก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมนั่งนิ่งๆปับ๊บมันก็บางทีก็จิตสงบไปเลยนะหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านไปเลยนะเพราะมันไม่มีความชัดเจนวิธีการให้เกิดความชัดเจนก็คือมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะในกายนี่แหละให้เขารู้สึกขึ้นมาตรงนั้นให้ชัดๆใช่ไหม เช่เราจะยยกมือสร้างยังวะหรือพลิกมือความพลิกมืองายหรือมือมาตดตีนะหรือกระทบนิ้วครึงนิ้วอันนี้มันก็ชัดเจนขึ้นมานิดนึง น, นะ เ, ออเรามีตัวรู้ที่ชัดเจนขึ้นมาเนาะถ้าเราไม่ทําตรงนี้นะเราก็ไปเดินจงกลมก็ได้ใช่ไหมเรามันก็ชัดเจนขึ้นมาแล้วเออมันดีวนั่งเฉยๆมันก็มีความชัดเจนมีการเคลื่อนไหวบางอย่างนะ mm hmm. ปรุงพเทียงก็บอกว่าให้เราอย่าอยู่นิ่งๆนะให้เรามีการเคลื่อนไหวบางอย่าง mm hmm. เพื่อที่จะให้ ใจเกิดการรับรู้ในตรงนั้นขึ้นมาใช่ไหมเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวเท้าเคลื่อนไหวใจไปรับรู้ตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมแล้ ว, แ, ลวแต่ถ้ากายหรือเคลื่อนไหวเช่นเรายกมือหรือเราเดินมันก็เป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันใช่ไหมแต่ใจก็ไม่รับรู้ใจไม่รับรู้แล้วบางทีเป็นความใจลอยบ้างเป็นความเคยชินบ้างอันนี้ก็ไม่เรียกเป็นความรู้สึกตัว แต่ก็เรียกเป็นความหลงนะแม้แต่เรากาลังสร้างหวะหรือก้เดินมันก็เป็นความหลงได้ใช่ไหมเพราะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจรับรับรู้ไหมปัจจุบันเนี่ยกําลังทำอะไรอยู่กายกําลังทำอะไรอยู่ใจรับรับรู้ไหมถ้าใจรับรู้แล้วตรงนี้เขาเรียกว่านี่ยเป็นความรู้สึกตัวเป็นการที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะในหนาเดียวถ้าเราทําในสิ่งเนั้นเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติใจไม่เกิดการรับรู้มันก็เป็นการหลงได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ กายขึ้นไหวใจรับรู้เพื่ออะไรเพื่อใจเขามีทักษะมีความเคยชินในการที่รับรู้สิ่งต่างที่เกิดขึ้นมาในกายนั้นเนะาะคราวนี้รับรู้ไปแล้วเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ในการที่เรียกว่าหลวงพ่อคำเข็มบอกว่าดูกายเห็นจิตใช่ไหมเราก็สามารถสังเกตจิตใจเราได้น ะ, ะเพราะว่าเรามีเครื่องอยู่ของใจแล้วเครื่องอยู่ขงใจก็คือให้เข้ามารับรู้ในทางกายก่อนนะให้เข้ามาใส่ตรงนี้เป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องเครื่องอยู่เครื่องรู้ของใจ ก็เรียกเป็นวิหารธรรมนะให้ใจมีที่สังเกตนะเพราะแทนที่เรานั่งนิ่งๆก็จะใจลอยไปเมื่อเราให้ใจมีเครื่องสังเกตะเช่นพลิกมือความพลิกมือหงายมือ้นเมื่อใจมีที่สังเกตแล้วเนี่ยเขาอยู่ไม่นานนะพอเราไม่ได้เพ่งเอาไว้นะไม่ได้เพ่งเออมันต้องไม่คิดอะไรอนะันนั้นไม่ถูกต้องแต่ว่าเป็นเป็นแค่เครื่องรู้เครื่องอยู่ของใจให้มีที่สังเกตเท่านั้นเองแล้วก็แวบไปแบบนี้ไม่เป็นความผิดเรานะแต่ใจเขาจะเป็นเช่นนั้นเองนะเขาจะรับรู้ได้ไม่นานหรอก เป็นความเคยคิดง ใ, ใจนะก็จะแว็บคิดไปแต่สมัยก่อนมันจะคิดยาวนะคิดไปนู่นเลยยาวเหยียดเลยนะคิดถึงคนนี้ไปคิดถึงคนนู้นต่อใช่ไหมแต่จากการที่เขาแว็บไปนะี่ยเมื่อใจมีเครื่องรู้แล้วเขาจะกลับมาได้ไวขึ้นนะเพราะว่าก็มีเครื่องอยู่อยู่แล้วใช่ไหมมันก็มีมีฐานมีบ้านให้ใจเป็นเครื่องอยู่นะมีหลักนะเมื่อเขาไปเขาก็จะกลับมาได้ไวไปแล้วก็จะกลับมาได้ไวขึ้นเนาะ เขาจะไม่ไปนานๆประสมัยก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่าใจเริ่มมีเครื่องอยู่แล้วนะเริ่มมีที่ยวใสเริ่มมีวิหารธรรมแล้วการที่เขาคิดไปนะอ่าบางทีเขาหลงคิดไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นความผิดเราใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะเขาคิดบ่อยไม่เป็นไรเรารู้ไหมคิดบ่อยก็ไม่เป็นไรเรารู้ไหมเนี่ยมันทําให้จิตมันตื่นรู้ขึ้นมาใช่ไหมอ่บางคนบบปฏิบัธรรมแล้วคิดเยอะๆเลย อันนั้เราเข้าใจผิดนะไอการที่มันคิดเยอะมันก็ดีแล้วทำไมมันเนื่องให้จิตสงบวิธีการแบบนี้มันไม่ต้องอาศัยจิตสงบแต่ว่าเราคิดก็ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนวิธีการกะคิดแล้วก็รู้คิดแล้วก็รู้นะเนี่ยจิตก็ตื่นรู้ขึ้นมานะอย่างที่หลวงเทียนบอกยิ่งคิดยิ่งรู้ใช่ไหมเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะงหลวงพ่อคำเขียนบอกเป็นหลงเป็นรู้แล้วก็เออคิดไม่เป็นไรนะหลงหลงไม่เป็นไรรู้เนี่ยจิตตื่นนะแต่จิตเราสงบนี่มันชั่วโมงนึงไม่คิดอะไรเลยน่ย มันก็กลายเป็นปนิง่งเป็นสงบไปน ะ, ะเขาก็อาจจะไม่ตื่นรู้ใช่ไหมแต่เขาคิดบ่อยๆนะจิต จ, จะตื่นรู้ได้บ่อยๆ ม, มันก็เกิดทักษะในการที่เราว่าเขาจะตื่นรู้ได้บ่อยๆใช่ไหมจากมื่ก่อนนี้เขาก็ไม่ตื่นนะวันนึงจะตื่นแค่ครั้งสครั้งก็งงงเริ่มตื่นรู้บ่อยขึ้นตื่นรู้บ่อ ย, บ, อยบ่อยขึ้นนะมันก็ตื่นรู้แล้วจิตก็จะตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาได้ใช่ไหมจากการตื่นรู้นี่แหละเมื่อที่เราเดินนะสมัยก่อนเดินไปก็คิดไป แต่มื่อจิตเขาตื่นรู้ในการที่กลับมารู้บ่อยๆนะคิดไปก็รู้ทันกลับมารู้ที่กายคิดไปรู้ท่านกลับมารู้ที่กายกำลังเดินนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมานะก็เลยตั้งมั่นนี่เป็นสมาธิระดับหนึ่งนะครนี้กะสมาธินะจิตตั้งมั่นขึ้นมาปั๊บเป็นผู้ดูผู้รู้เออดูกายมันเดินนะดูกายมันเดินไปดูกายมันเดินมาดูกายมันเดินไปดูกายมันเดินมาไม่ไม่ใช่เราเดินนะมันเป็นมันเป็นกายเดินนะมันเป็นความรู้สึกในทางกายนะ เราไม่ได้ใช่ตามองการเดินแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราเราเห็นโอ้กายเดินภายนอกใจรู้อยู่ภายในกายเดินภายนอกรู้อยู่ภายในมันก็แยกกันมาแล้วน ะ, ะกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งใจผู้สังเกตกายเห็นกายเขาเดินไปเไมเมื่อมีความคิดแว บ, บขึ้นมาแล้วก็สังเกตโอ้ความคิดเกิดมาแล้วนะ ความคิดเป็นสิ่งถูกรู้ความคิดอยู่ภาย น, นอกใจรู้ภายใ น, ใในมันแยกแล้วนะเห็นไหมนี่เป็นการแยกรูปในละแยกนามที่เราสามารถสังเกตได้นะใจมันคิดแวบรู้ทันใจคิดแวบรู้ทันเราเป็นผู้ดูนะเห็นเห็นเห็นมันคิดนะใจเป็นผู้รู้ความคิดเหล่านั้นนะมันก็เป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นใช่ไหมนะจากการที่เรามีประสบการณ์เราเห็นว่ากายมันเดินได้ใจมันคิดได้เราเป็นผู้ดูมันใช่ไหม ต่อไปเนะี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะไม่มีความคิดก็ไม่เป็นไรเราก็ดูความคิดไปนเนี้ยเป็นผู้ดูแล้วนะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้คิดนะไม่เป็นผู้เดินใช่ไหมเป็นดูเท่านั้นเองน ะ, อ, ะอีกหน่อยมีความโกรธนะใครมาด่าเราใครมานินทาเราใครมาใส่ร้ายเรามีความเกิดขึ้นปุ๊บเามื่อก่อนเราโกรธนะแต่เราเห็นโอ้ความโกรธเป็นสิ่งถูกรู้นะสิ่งไหนที่ถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่เราใช่ไหมเราก็สังเกตได้โอ้ความโกรธเกิดขึ้นในใจเรานะ สังเกตเข้าไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาความโกรธไม่ดีจัด ก, การดับพัวมันไม่ดีนะโกรธนอนดับพัวไปเลยอันนั้นไม่ไม่จําเป็นนะดูก็เฉยเฉยรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยเท่านั้นเองใช่ไหมโกรธก็โกรธไปแล้ว เ, เป็นผู้ดูไปนะจากการที่เราดูนั่นแหละอันนี้เรียกว่าใจเรานะมันจะมีกําลังในการดูนะไม่ต้องไปจัด ก, การเขา ดูเข้าไปกโกรธก็ดูไป Snapchat นะเห็นเขาเล่นงิ้วให้เห็นเขาเล่นละครนะเป็นผู้ดูเฉยเฉยเมื่อก่อนสมัยก่อนมันเป็นผู้เล่นใช่ไหมเล่นเป็นโจโฉนะโอ้เล่น โ, โ, โ, นโกรธมากใช่ไหมนั่นแหละเราเป็นเล่นเขาแล้วนะเป็นตัวแสดงเป็นผู้เป็นแต่เมื่อใจมีกําลังตั้งมั่นเป็นผดูก็เราดูก็นะดูโจโฉเล่นแบบนี้นะดูเล่าปี่เล่นอย่างนี้นะดูขงเบ้งเล่นอย่างนี้นะเป็นผู้ดูไม่ตเป็นผู้เป็นใช่ไหม เหมือนเราดูโททัศน์นะเรารู้เราไม่เป็นโจโฉแน่นอนใช่แต่เราดูเข้าท่านั้นเองใช่ไหเนี่ยก็จะดูนะเออมันโกดก็ไม่เป็นไรนะเราดูก็ได้ไหมเ <c oughs> นาะต่อไปมีมีความพอใจนะมันดีใจจังเลยจะได้กลับบ้านแล้วอีกสองวันจะได้กลับบ้านแล้วมันดีใจจังเลยเดินไปดีใจไปเนาะ ดูมันเป็นเลยนะอ่มันดีใจดูเป็นเลยไม่ใช่เราดีใจเห็นใจมันดีใจเห็นใจมันชอบใจเนาะนี่ดูเป็นเลยนะมันก็เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเพราะนั้นเราดูได้ไงนะหลวมพ่อคำเขียนว่าเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นเนาะตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะบรรลุทําได้ไม่ยากใช่ไหมเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นอเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นนะเนี่ยตรงนี้มันเข้าถึงธรรมะแล้วใช่ไหมเนี่ยมันก็สังเกตไปนะเออ เมื่อก่อนเราแบบว่าทํามันมีความทุกข์อย่างเลยนะแต่ตอนนี้มันก็ง่ายๆนะเราก็ทําอะไรนะเดินยืนนั่งนอนก็กลับมาดูมันนะยกมือสร้างวาก็กลับมาดูมันใช่ไหมแต่มันก็ต้องรู้สึกตัวนะไม่ไม่ไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปด้วยเนาะตรงนี้เราก็ทําใจสบายๆใช่ไหมอืมต่อมานะเราก็เมื่อเข้าใจในตรงนี้แล้วมันก็เห็นว่าโอ้ ตรงนี้นะมันแค่กายค่ใจมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองนะเราก็อาศัยความรู้สึกเหล่านี้นั่นแหละนะเมื่อเราเห็นบ่อยๆนะมันก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วนะความโกรธก็ดีความรักก็ดีความชังก็ดีความพอใจต่างๆก็ดีนะมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่เป็นของถาวรอะไรนะพอเราเข้าใจแล้วนะเราบังคับบัญชาต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลย听得มานะเมื่อวานเราปฏบัติธรรมดีนะวันนี้มันก็ไม่ดี เมื่อเช้าดีตอนบ่ายก็ไม่ดีนะเมื่อก่อนเราก็มีความทุกข์โอ้ทำไมมันไม่ดีถาวรนะมันไม่มีไม่ไม่ดีทุกๆวันเราก็มีความทุกข์นะแต่เมื่อเราเข้าใจโอ้มันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะเราบังคับก็ไม่ได้หรอกเราแบบว่าทำเราเข้าใจแล้วนะเห็นความคิดมันมาแล้วก็ไปความโกรธมาแล้วก็ไปสิ่งเหล่านี้นะมันก็เห็นแล้วมันก็ไม่เที่ยงนั่นเองใช่ไหมมันเป็นความไม่เที่ยงเพราะนั่นไอ้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ต้องดีทุกวันใช่ไหม มันดีทุกวันมันเป็นไหมไม่ได้หรอกใช่ไหมมันไม่ไม่ดีทุกวันอันนี้คือความจริงตังหากใช่เออแล้วทำไมเราต้องเอาดีทุกวันนะเอาดีทุกวันนั่นแหละมันจะทําได้ไหม ม, มันทําไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ที่พระพเจ้าก็แบบบอกแล้วถามแล้วว่าอรูปเวนัสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณคือกายใจทเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าอันนี้คือความจริงเนาะ เพราะนั้นให้มันดีทุกวันมันก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองนะมันไม่ดีทุกวันหรอกเขาแสดงความจริงแล้วเมื่อวานวันวานเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรนี่เขาแสดงความจริงแล้วเห็นมัไติรักแล้วนะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วนะท่านเราจะมีความทุกข์ต้องม่ดีทุกวันนะแต่เมื่อมันมันไม่มันไม่ดีโอเเข้าใจแล้วนะนี่แหละเขาแสดงความไม่เที่ยงนี่เห็นมัไติรักแล้วนะนี่มันใกล้บรรลุธรรมผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงมันก็เริ่มใกล้บรรลุธรรมเลยมั้ย เน่ยหมือนก็ลวงพระ c h เนะยบอกว่าอ่ามันบอกหน้าเนาะบอกหน้าเนาะทุกอย่างบอกหน้าบอกหน้าไม่มีอะไรหน้าเลยนะท่านจะต่อลูกศิษย์มันบอกหน้านะอ่าท่านได้ยินเพลงเพลงหนึ่งนะสมัยก่อนบอกว่ามันจะร้องมันมีส้อยมันบอกหน้าดอกนายนะโอ้ท่านบอกนี่เป็นศรธรรมเลยนะอ่ายกตัวอย่างเช่นขั้นอ่าขันพอเราตายสามวัยพ้นมือเมียเราน่ยหรือก็ไม่รู้เป็นเมียใครนะมันบอกหน่าดอกนายะ มันมาบอดแน่นะทุกอย่างไม่ไม่แน่น่ะเมื่อเราเข้าใจนี่มันบอดแน่นะมันก็โอ้มันทายมีความทุกข์นะมันก็ไม่มีความทุกข์นะทุกอย่างมันมาหน้าตัวแล้วมันก็บอดแน่มันไม่มีอะไรนะสักอย่างหรือไปเอาอะไรกับมันใช่ไหมการปฏิธรรมก็เหมือนกันนะมันก็บอดแน่ใช่ไหมนี่มันมันเข้าถึงธรรมะแล้วนะแต่ถ้ามันแน่ทุกวันให้มันดีทุกวันนี่แหละมันจะมีความทุกข์เราจะบังคับเขาอกดข่มเขาบังคับเขาเรามีความทุกข์เองแต่ว่าการที่เราต้อง ต้องทําไงก็คือตามรู้ใจเ okay. ห็นไหมมันไม่ชอบใจมันบ่นหน้าตามรู้ไปเลยนะมันไม่ชอบใจรู้ทันมันชอบใจรู้ทันนี่แหละคือความจริงใช่ไหมเมื่อเราเห็นตรงนี้นะมันก็คือความทุกข์มันดีก็เป็นความทุกข์นะเพราะความดีมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ดีก็เป็นความทุกข์นะม่มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเราจะไปเอาอะไรมาลังหนาที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ใช่ไหม ถ้าเราบังคับบัญชาก็ได้ก็ต้องเที่ยงต้องดีทุกๆวันต้องไม่ทุกข์แล้วเราทําได้ไหมมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมเขาก็แสดงสัจธรรมอยู่แล้วนะว่าเขาไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาก็จึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะแต่ถ้าเราบังคับบัญชาได้ก็ต้องเป็นตัวเป็นตนของเราใช่ไหมเพราะในั้นการมาทําก็คือกลับมาเห็นมมไตาลักษนั่นเองกลับมาเห็นมมไตาลักษ เพราะเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เขาจึงเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะเขาจึงไปทางนั้นไปทางนี้นะเราก็รู้ว่าเขาไปทางนั้นรู้ไปทางนั้นก็รู้ตามเขาไปนะไม่ใช่ว่าเขาไปทางนั้นใ้ก็มาทางนี้เขาไปทางนี้จะให้ไปทางนั้นอันนั้นไม่ถูกต้องใช่ไหมเพราะการที่เราสามารถรู้ตามความจริงเช่นนั้นเราจะเห็นว่าเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นสภาวะที่เป็นเช่นนั้นของเขาเอง เราแค่รู้ไปเท่านั้นเองนะรู้ไปมันจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรจะโกรธก็ไม่เป็นไรนะจะเลวก็ไม่เป็นไรตามรู้ไปเขาจะดีก็ไม่เป็นไรเขาจะวิเศษก็ไม่เป็นไรก็ตามรู้ไปเนาะตรงนี้เมื่อเราตามรู้ความจริงบ่อยๆแล้วเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวหมดเลยนะทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็มีค่าเท่ากันนะดีและไม่ดีมีค่าเท่ากันหลงและรู้ก็มีค่าเท่ากันไม่ต่างอะไรกันเลยเพราะเขาแสดงว่าักทั้งหมดมา เมื่อเราเข้าใจพระไตรลักษณ์ในภาวะความเป็นจริงแล้วจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดการไม่ยึดมั่นถือมั่นอันเป็นอุปทานเมื่อจิตออกจากอุปทานได้ก็ไม่เกิดพบเกิดชาติเกิดชราช ล, าลนาตามมาเนาะอันนี้มันก็คือเข้าสู่การดับทุก์นั่นเองใช่ไหมเพราะโดยผลทั้งนี้นะเมื่อการปฏิธรรมแล้วกลับมาเห็นพระไตรลักษณ์ปรับจิตจะเข้าใจแล้วเกิดการปล่อยการวางนี่เขาเรียกว่าเข้าสู่นิโรธ นี่ราก็คือไหลนี่เราก็คือโยตัสสาเยวะตันหายาเสสะวิลาคานิโรโทจาโคปนิสโคมุตินารโยเมื่อจิตที่เห็นสภาวะแห่งตันหาเหล่านั้นนะเมื่อการธรรมเห็นเข้าใจตันหาเหล่านั้นก็จะเกิดการคลายออกคือวิลาคะคือการคลายออกการปล่อยการวางการมิตติการทําให้ตันหายไม่มีที่อาศัย นะเมื่อตัณหาไม่ไมีเที่ยงใสแล้วอมันก็จะดับสนิทไม่เหลือเขาเรียกเป็นนิโรธเนาะอันนี้ก็คือการดับทุกข์เมื่อสู่นิโรธแล้วมันก็พ้นจากความทุกข์พ้นการกระทำไม่ต้องหวังอะไรนะหวังว่าเออให้ทุกข์เราในใจเราลดไปก็พอแล้วเพราะการที่ทุกข์ในใจเราลดลงไปแล้วนั่นแหละอันนี้ขนทางการพ้นทุกข์เนาะเพราะวนทางการพ้นทุกข์มันไม่ได้ยาวไกลอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองนะตรงนี้กลับมาเห็นไหมตามความเป็นจริงในพะระไตรลักษณ์ มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตายอย่างที่พระพิจารณ์ได้ทรงแสดงให้ครับปัญญวิญาณนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์ไมเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรเลยใจยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวปนตนของเราไม่ควรตามยึดไม่ควรตามคิดนัไม่เจ้าค่านี่นะเมื่อตรงนี้สแสดงจบแล้วก็มีพระรหันทั้งหมดเนาะพ้นใจที่เข้าถึงสัจธรรมคือความจริงในตรงนี้ก็ค่อยเกิดการปล่อยการวางกันไม่ติด คลายออกจากตัวตนนะเมื่อการคลายจากตัวตนแล้วทุกอย่างมันก็คลายไปหมดนะตรงนี้แหละคือที่สุดแห่งทุกนะเราเราก็จะพ้นทุกในตรงนี้ได้กันนะเพราะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณมรตันอ้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิญ